เมื่อทฤษทีแล้วมีรายงานชิ้นหนึ่งออกมาน่าสนใจนะเป็นรายงานที่ชื่อว่าความสุขของประชากรโลกนะเขาก็ไปสอบถามความเห็นของคนทั่วโลกนะร้อยสาสิบแปดประเทศเกือบแสนคนนะก็เฉลี่ยวประเทศหนึ่งก็แ0ดร้อยคนได้โดยเฉลี่ย ก็ถามคนทุกเพศทุกวัยทุกาฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็ได้ข้อสรุปอันหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอยู่บ้างเขาบอกว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยความสุขของคนทั้งโลกเนี่ยไม่ได้ลดลงไปเมื่อเทียบกับ ช่วงก่อนหน้านั้นหมายควาว่าคือรายงานเนี่ยก็ทำทุก3มปีนะแล้วเขาบว่าช่วงที่เกิดโควิดแพร่ระบาดเนี่ยตลอด3ปีเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยโดยภาพรวมแล้วมีความสุขพอๆกับ3มปีก่อนหน้านั้นคือช่วงที่ยังไม่เกิดโควิดเนีมันน่าแปลกนะ เพราะว่าช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโควิดแพร่ระบาด ท, ทั่วโลกนชีวิตเปลี่ยนไปมากนะคนล้มตายไปก็ไม่น้อยที่เจ็บป่วยก็เยอะแล้วก็ที่ทำมาหากินฝืดเครื่องก็มากมายแต่ทำไมเนี่ยคนจึงรู้สึกว่ามีความสุข ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยพอๆกับช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดนะเพราะพราะว่าเนี่ยจริงอยู่นะมันก็มีความทุกข์เพิ่มขึ้นในบางด้านในช่วงสามปีที่ผ่านมาแต่มันก็มีความสุขบางอย่างที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันก็พอหักกลบลบนี้แล้วมันก็เอาเป็นว่าเลยไม่ต่างจาก เมื่อสามปีก่อนหน้านี้คือช่วงที่ยังไม่เกิดโควิดความสุขอะไรที่เพิ่มขึ้นนะในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเขาบอกว่าความสุขที่เกิดจากหนึ่งการที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันผู้คนได้ช่วยเหลือกันมากมายทีเดียวโดยเพราะกับคนแปลกหน้า เช่นบริจาคเงินหรือว่าไปเป็นจิตอาสาหรือว่าช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักที่กำลังเจ็บป่วยอยู่แล้วก็เพราว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะ น, น, นี้เนี่ยมันมีมากกว่าช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดสินะ และนอกจากการช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยก็พบว่าผู้คนเนี่ยเขาตระหนักว่าเขามีคนที่เขาพอจะพึ่งพาอาศัยได้ช่วงที่เกิดความยากลำบากนะเกิดโรคระบาดมีการล็อกดาวน์คนตกงารอันนี้มันก็สร้างความช่วยให้กับผู้คนแต่คนก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อ เชื่อว่ามีคนที่ตัวเองพึ่งพาอาศัยได้8ปดสิเปอร์เซ็นตะของคนที่เข้าไปสอบถามเนี่ยกขาบอกว่าเนี่ยรู้ว่าเนี่ยจะมีคนที่จะให้ความช่วยเหลือได้หรือว่าให้กำลังใจมันก็ทำให้ความทุกข์ลดลงไปนะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาแล้วก็ประการที่สามคือว่าในช่วงโควิดเนี่ย ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจคนที่อยู่ใกล้เคียงหันมาสนใจเพื่อนบ้านจากเดิมที่เอาแต่ทำมาหากินหรือว่าเก็บตัวนะช่วงที่ล็อกดาวน์ต้องทำงานที่บ้านหลายคนก็หันมาใส่ใจกับเพื่อนเก่าๆรวมทั้งเพื่อนที่อยู่รอบตัวคงพอมีเวลาว่างเยอะนะก็เลยมีการติดต่อพูดคุย กับญาติกับมิตรกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนบ้านเรียกว่ามันมีการสร้างหรือฟื้น ฟ, นฟนูสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นมันก็เลยทําให้คนเนี่ยมีความสุขนะทั้งๆ ท, ท, ที่โลกก็แพร่ระบาดเยอะ ท, ทั้งทั้งที่ทําการทํางานก็ยากลําบากแลนะที่เขาพบว่าคนที่มีอายุมากเนี่ยนะ โดยเฉลีย่ยแล้วจะมีความสุขในช่วงโควิดเนี่ยมากกว่าคนที่อายุยังไม่มากอายุมากนี่ก็หมายความว่าตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปนะก็คงเป็นเพราะว่าได้มีโอกาสนะกระชับความสัมพันธ์นะได้รู้จักผู้คนหรือว่าได้ติดต่อนะคนต่างๆที่เคยรู้จักเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สนใจนะ เพราะว่าเอาแต่ทํางานแต่พอทํางานไม่ค่อยได้ต้องทํางานที่บ้านก็เลยนะหันมาให้ความสําคัญนะกับญาตสนิทมิตรสหายคนที่เคยรู้จักไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวเพิ่มความสุขให้กับผู้คนได้นะเคยพูดไปแล้วว่าเนี่ยความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นไม่ว่าในครอบครัวในชุมชนนะ มันช่วยทําให้คนเราเนี่ยมีอายุยืนเพราะว่ามันทําให้มีความสุขทําให้มีความสุขอบอุ่นนะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะหรือสาเหตุที่ทําให้ผู้คนทั้งโลกเนี่ยนะในภาพรวมเนี่ยเขารู้สึกว่ามีความสุขพอๆกับช่วงที่ยังไม่เกิดโควิดนะ ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเราเรียกว่าเกิดวิกฤตเลยนะนะแต่ว่ามันเป็นวิกฤตบางด้านวิกฤตด้านสุขภาพวิกฤตด้านเศรษฐกิจนะแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทําให้คนเราเนะี่ยได้พบกับที่มาแห่งความสุขที่เราอาจจะมองข้ามไปนั่นะคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งผู้รับและผู้ให้และการที่ได้มี สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะและเขายัางพบว่าเวลาให้แต่ละคนเนี่ยพูดถึงความรู้สึกในทางลบหรือทางบวกในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความรู้สึกหรือบอกความรู้สึกที่เป็นบวกมากกว่านะเช่นหัวเราะมากขึ้นแล้วก็มีความกระตือรือร้อนมีความ สนุกสนามขนาดตรงนี้นี่มากเป็นสองเท่าของความรู้สึกในทางลบนะความรู้สึกในทางลบคือว่าความวิตกกังวลความเศร้าความโกรธ <c oughs> ช่วงสามปีที่ผ่านมานี่ก็มีความรู้สึกแบบนี้เยอะนะเศร้าโกรธวิตกแต่ว่าไอ้ความรู้สึกทางบวกเนี่ยมันมีมากกว่าเป็นสองเท่านะในภาพรวมภาพเฉลี่ยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกนะแต่ที่คนมีความรู้สึกแบบนี้ได้ก็เพระ ได้ทำความดีได้ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันแล้วก็ได้กระชับความสัมพันธ์ได้กลับมาพูดคุยให้เวลากับคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อนบ้านนนี้ก็เป็นข้อสรุปนะที่น่าสนใจมากคราวนี้เนี่ยรายงานชิ้นนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าก็วัดความสุขของประชากรโลกเนี่ยทุกสามปีแล้วก็วัดอาศัยตัวชีวัดที่หลากหลายไม่ใช่แค่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ฐานาทางเศรษฐกิจแต่รวมถึงเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสายสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็การมีสิทธิเส ร, รีภาพนะว่ามีมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีเศรษฐกิจอาจจะตกสะเก็ดนะแต่ว่ามันมีคะแนนจากส่วนอื่นมาช่วยโดยเฉพาะเรื่องของสายสัมพันธ์ทางสังคม และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะว่าคนเราแม้ว่าจะเกิดวิกฤตยังไงแต่ถ้ามันมีการช่วยเหลือกันไม่ทิ้งกันนะทุกคนรู้สึกว่ามีคนที่จะพึ่งพาอาศัยได้มันก็ทําให้พอที่จะมีความหมอมีกำลังใจรายงานนี่ชิ้นนี้เขายังมีการจัดลําดับจัดอันดับความสุขนะของประเทศต่างๆประเทศที่มีความสุขมากที่สุดนี่ก็อย่างที่รู้กันนะฟินแลนด์เนี่ยติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ถามว่าเมืองไทยอยู่ในอันดับไหนนะนถ้าจำได้คืออันดับที่58ครึ่งๆนะ่าคคะแนนความสุขก็ประมาณ5เศรษศ์คือความสูงนี่เขามีคะแนนตั้ง1ถึง10นะฟินแลนด์นี่ก็7กว่ากว่าสุขมากที่สุดนะของไทยเรานี่5กว่ากว่าอันดับที่58นะถ้าจำไม่ผิด อ, อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าจะมีประโยชน์นะสำหรับพวกเรา